ชีวิตศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริคลองไผ่ตาบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจัวงหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ391รกล้ไร่พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเรือนเพาะชำกล้ามไม้ส่วนที่เหลือพัฒนาโดยการปรับปรุงแหล่งน้ำจัดทำแปลงปลูกพืชผัก นาข้าวสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปในการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริเดิมพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริคลองไผ่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำบุคลากรรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทําเกษตรกรรมการเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการดําเนินกิจการต่างๆของศูนย์ไม่สามารถดําเนินงานได้กรมทรัพยากรน้ําจึงเข้ามาดําเนินโครงการระบบกระจายน้ยําไปยังพื้นที่ต่างๆของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริคลองไผ่โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําจากลําตะคองเพื่อ น, นําน้ําขึ้นมาเก็บไว้ที่สระน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สรดน้ำอีกหนึ่งจุดเพื่อสูบน้ำไปยังถังพักน้ำจากนั้นปล่อยน้ำลงไปยังพื้นที่และแปลงเกษตรต่างๆทำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับน้ำอย่างทั่วถึงน้าคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้การปรึกษาด้านทรัพยากรน้า 1 3 1 0งหกด5หรือ w w w d w u r g o t h